ปาราชิกสิกขาบทที่ส159ถามภิกษุจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. ขุดหลุมพรางไว้เจาะจงมนุษย์ว่าบุคคลชื่อนี้จะตกลงไปตายต้องอาบัตทุกกฎ 2. เมื่อบุคคล น, นั้นตกลงไปได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัตทุลใจ 3. ถ้าเขาตายต้องอาบัตปาราชิกภิกษุจงใจพระาชกายมนุษย์จากชีวิตต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้